ศึกษาทางแห่งกรรมเหมือนกันว่าชีวิตของเราตั้งกตเช้าตั้งกตตื่นเหมนกัเถอะตั้งตื่นยันหลับอะทำกรรมเกือบตลอดเลยอะเป็นทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปทั้งเป็นกุศลบ้างอากุศลบ้างอัน การศึกษาคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยขึ้นต้นด้วยการเรียนรู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษนะถ้าหากว่าผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างนี้ได้อย่างดีแล้วก็ชีวิตของเขาก็เป็นชีวิตที่ปลอดภยัยแต่ถ้าหากว่าความรู้ความเข้าใจในเรื่องกรรมทั้งที่เป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม ชีวิตก็เป็นชีวิตที่ไม่ปลอดภัยเป็นชีวิตที่น่าสงสารเพราะว่ามีกายก็สร้างแต่บาปสร้างแต่กรรมมีวาจาพูดแล้วก็หาแต่ทุกข์ให้กับตัวเองมีความคิดก็ใช้แต่ความคิดเป็นไปในทางที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเรื่องไม่เกิดประโยชน์ในสังคมเนี่ยทั่วไปนั้นจงยกไว้ก่อนแต่ที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อชีวิตของตัวเอง ในภายภาคหน้าเนี่ยตรงนี้สําคัญพรันกายกรรมมจีกรรมมโนกรรมนั้นเราต้องรับผิดชอบตัวเราเองในการทําการพูดการคิดอันเมื่อเราต้องรับผิดชอบนั้นเราต้องศึกษาอันนี้ให้เข้าใจที่สุดถ้าหากว่าผู้ใดเข้าใจกายกรรมมจีกรรมมโนกรรมคนนั้นเนี่ยเจริญโลกุตระธรรมสําเร็จแน่นอนแต่ถ้าหากว่าไม่รู้เรื่องกายกรรมมจีกรรมมโนกรรมไม่สามารถที่จะบรรลุโลกุตระธรรมได้ เพราะว่าโลกุตระธรรมนั้นจะต้องมีสุดจิตสามเป็นต้นเป็นอาหารแล้วแม้กระทั่งวิปัสสนาก็คือก็คือมนโนกรรมนะวิปัสสนาก็เป็นไปกับมนโนกรรมเพราะสัมมาทิฏฐิก็คือปัญญาเป็นมนโนกรรมสัมมาทิฏฐิมีอยู่ห้าประการด้วยกันนะก็คือหนึ่งกามสกตาสัมมาทิฏฐิสองวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิสาม ฌานสั ม, มาธิฏฐิสี่มัคคสัมาธิฏฐห้าผลสัมมาธิฏฐิบางแห่งกล่าวไว้เป็นเรียกว่าวิปั จ, ปจเจกขณะยานด้วยปัจเจกขณะส ม, มาธิฐิด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่พบก็คือห้าแห่งมันมีความสําคัญมากส ม, มาธิฏฐินั้นส ม, มาทิฏฐินั้นถ้าหากว่าผู้ที่เป็นผู้ที่พยาบาทมาก สัมมาทิฏีิก็เกิดยากนะถ้าหากว่าเราเอาข้อสิบไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะถ้าหากว่าคนที่หนักไปในทางโทสะปัญญาก็เกิดยากหนักไปในทางโลภะนะกรรมสักกตาเป็นต้นก็เกิดยากมีวจีกรรมที่ไม่สุดจริตปัญญาก็เกิดยากนะพูดเท็จพูดคำหยาพูดเพ้อเจอ้อพูดส่อเสียถ้าพูดเหล่านี้บ่อยๆไม่ได้ก่อให้เกิดปัญญาอะไรเลย และในขณะเดียวกันกายกรรมก็เหมือนกันในกายกรรมทั้งสามก็คือา่เกี่ยวกับเรื่องการแสดงออกที่ยกมาค่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมเนี่ยเขาเรียกว่าเอาแบบหยาบที่สุดมาแสดงเอาแบบหยาบที่สุดมาแสดงว่าผู้ที่ล่วงล่วงอกุศลกรรมบทเนี่ยเขาเรียกว่าล่วงมนุษยธรรมไปแล้วบอกว่ามนุษย์ยังเป็นไม่ได้เลยเขาว่าไงเจตนาให้ถึงความเป็นมนุษย์ยังไม่เหลือเลยอะ่ะ อันถ้าล่วงอาคุศนกรรมบทเมื่อไหร่ขณะนั้นไม่มีมนุษยธรรมหรือไม่มีธรรมะและแต่ถ้าหากว่าฌานอภิญญามมรรคผลเป็นต้นเขาจึงเรียกว่าอุตริมนุษยธรรมคือมันสูงยิ่งกว่าธรรมะของมนุษย์ทั่วไปแต่ถ้าหากว่ามนุษยธรรมทั้งสิบประการเนี่ยนะไม่มีคุณธรรมชั้นสูงเนี่ยไม่ต้องร้องเรียกขาเลยอั้นถ้าผู้ที่มีความเข้าใจในมนุษยธรรมอย่างเหล่านี้เป็นอย่างดี อันนั้นอย่างน้อยที่สุดก็กลับมาเป็นมนุษย์คืนก็อย่างนี้มถ้าต่ําอันนี้เนี่ยชค้นว่าสาไปซื้อขนมมาขายใช่ไหมเป็นแม่ค้าไปซื้อขนมมาขายไปซื้อขนมมายี่สิบบาทขายแล้วได้กําไรกลับคืนนะรวมทุนรวมอะไรเบ็ดเสร็จเหลือติดห้าบาทนะแสดงว่าเสียเวลาไปวันหนึ่งหมดเงินไปห้าบาทเหนื่อยซีรีกวันหนึ่งอะส น, นันแต่หถ้าหากว่าเราไปอาบาใบพรมนะแสดงว่าเราเนี่ยย่ำแย่ ม, มาก อะไรกำไรมาโหมากอะไรเรียกว่าต้นทุนมาสูงนะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยผมเห็นเรื่อง อ, อากุศลนี่มันเกิดง่ายกุศลเกิดยากนี่นะแล้วเรานี่ชาตินี้มาเกิดเป็นคนแนละ้วยังสนใจธรรมานี่สงสัยว่าเอ้อเราทําไม่น่าเชื่อว่าเราจะทํากรรมดีขนาดนั้นเนะ่ยคือถ้าหากว่าในสังสารวัตรอันยาวเนี่ยนะไม่มีกรรมใดที่บุคคลไม่เคยทําเว้นมรรคกรรม เ, เว้นมรรคกรรม นะก็คือเว้นอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดในขณะมรรคจิตที่เหลือเนี่ยทาเกือบหมดแล้วนะทั้งดีทั้งชั่วเพราะว่าวงจรชีวิตของเราบางครั้งไปเกี่ยวข้องกับคือขณะที่เราอยู่ธรรมดาเราเองเนี่ยอุปนิสัยของเราเราอาจจะทําดีน้อยมากแต่เราไปเกี่ยวข้องกับบางคนเราทําดีได้นะพอห่างคนนั้นอีกเอาหมายอีกก็วันก่อนที่พูดถึงธ น, นัญชาณิใช่ไหม ตอนที่มีภรรยามีศรัทธานี่โอ้ดีเหลือเกินเนีเป็นคนมีศีลมีธรรมฟังเทศน์ฟังธรรมคบมหาพระหาเจ้าทีนี้พอภรรยาไอ้ที่มีศรัทธาตายไปได้ภรรยาใหม่เข้ามาอีกกลายเป็นภรรยาไม่มีศรัทธาเลยอาศัยพระราชาปล้นชาวบ้านอาศัยชาวบ้านปล้นพระราชาเลยมันเรียกว่าได้ปัจจัยไงนะอย่างน้อยที่สุดหนึ่งได้อารามณะปัจจัยจะเป็นกุศลหรืออกุศลส่วนหนึ่งก็อารามณปัจจัยอนะทีนี้เหตุปัจจัยแล้วแต่การตั้งใจเอาไว้ ถ้าบุคคลใดมีอัตตาสัมมาปณิที่ดีถึงจะไปอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเขาก็ขวนขวายที่จะเจริญกุศลอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าคนมีอัตตาสัมมาปณิทิแต่ส่วนใหญ่แล้วขึ้นต้นด้วยปฏิรูประเทศวศนะสะกุศลทั่วไปหนึ่งต้องอยู่ในปฏิรูปประเทศจึงจะเจริญกุศลได้ง่ายนะเข้าไปในสนามมวยดูสิกุศลเกิดง่ายไหม โอ้โหไปถึงเจริญกรุณนาเจตสิกเลยนะ ม, มวยที่ต่อยกันมวยนี่ก็อายุไม่ถึงร้อยปีเดียวก็ตายกันหมดแล้วมาต่อยกันอยู่ได้เหมือนกับไก่ในสุ่มอะนะ <c oughs> พุงนี้เช้าก็จะเอาไปต้มแล้วก็ยังมาต่อยกันอยู่นั่นแหละยังมาจิกมาตีกันอยู่นั่นแหละเออเราเองก็ไม่ถึงร้อยปีอีกหนึ่งเราก็ตายควรแล้วที่จะเจริญกุศลเจริญเมตตาสงสารต่อคนเหล่านี้มากๆเราคิดอย่างนี้ไหม แทบไม่เคยคิดเลยอ่ะเออไ ฟ, ฟเรานกเนี่ยนะริบนกเอวเ อ, อเย่อมันควเป็นลมไปเลยว่ามีแต่แสดงว่าคือกลับไปอีกสิ่งแวดล้อมหนึ่งคนกําลังฟังทำมีความรู้ความเข้าใจอ่คนแสดงก็แสดงด้วยความเข้าใจคนฟังก็ฟังว่ามีศรัทธาเอ้เราเดินเฉียดเฉีย ด, ยดกุศ ล, ลจิตยังเกิดเลยอเดินเฉียดเฉียดที่เขาแสดงคํทำะนะยังไม่ไหนฟังเลย เรายังรู้สึกเอดีนะกุศลจิตเรายังเกิดนะยังอมุตมทิตาเกิดกับเขาเลยรู้สึกยินดีกับเขาโอ้นี่บุญก็เกิดขึ้นแล้วดะงนั้นอารมณ์เนี่ยจึงมีความสําคัญมากนะดันั้นโสดาปติยังฆะธรรมเนี่ยสี่ประการเนี่ยจึงเห็นว่ากุศลจิตที่จะพัฒนาได้นานหรือไม่นานก็อยู่ที่โสดาปติยังฆะธรรมนะนะอันดับต้นก็คือปฏิรูประเทศวัสะอ่าถ้าใคร ศึกษาธรรมะแล้วใช้ชีวิตอยู่ในหลายๆแห่งเนี่ยจะรู้ดีความสำคัญของปฏิรูปประเทศนะอยู่อีกแห่งหนึ่งเนี่ยอุโโโษษ้ยกุศลจิตเนี่ยเกิดยากจริงๆ น, นะแทบจะขอร้องบนบานก็ยังยากเลยอ่ะก็เหมือนที่เล่าว่ากลับไปที่บ้านเมื่อไหร่นะเอาพระไตรปิฎกมาอ่านไม่ถึงสิบหน้าเลยอุ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้พระไตรปิฎกก็มีอะไรก็มีจะได้กุศลบ้างก็ต่อเมื่อ แสดงทําให้เขาฟังเออตรงนี้พอได้กุศลและจิตจะเกิดต่อเนื่องได้บ้างแต่ถ้าอ่านเองเนี่ยยังไงอ่าถ้าไปอีกแห่งหนึ่งเนี่ยเราอ่านปุน๊บนะเกิดปีติเกิดความสุขสบายใจมากเลยนะอยากอ่านเห็นคุณค่าแล้วเกินนู้พระธรรมเนี่ยดีแล้วเกินแต่ไปอีกแห่งหนึ่งไม่ได้อย่างนั้นหรอกเมื่อไหร่จะหมดบันสักทีหนึ่งสองสามสี่ห้าเมื่อไหร่ะจะได้กลับสักทีเนี่ยแต่ไม่แบบนั้ น, น, นะไปบางแห่งเนี่ยอขอให้เราได้อยู่ที่นี่อีกนานๆนะ ทำยังไงนะจะอยู่อย่างนั้นนานๆได้มีชีวิตอยู่แบบนี้อีกระยะหนึ่งเถอะนะคงได้ดีอีกแน่นอนเลยงั้นถ้าศึกษาชีวิตคุณภาพจิตสุขภาพจิตเราจะรู้แบบนั้นว่าอิทธิพลของปฏิรูปประเทศนี่มีสูงมากอันดับที่สองก็สัพบุริสูสังเสวะการคบสัต บ, บุรุษเนี่ยนะนี่มีความสำคัญมากคนที่เราเกี่ยวข้องเจอหน้าไอ้คนหนึ่งตับเมตตาเกิดแล้วแค่นึกถึงเฉยเนี่ยเมตตาเกิดอะ ใช่ไหมคนดีๆเนี่ยเรานึกถึงเมื่อไรปับ๊บปุ๊กุศลจิตเนี่ยเกิดเลยนะนึกเขาเมื่อไรแล้วสบายใจแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยโผล่หน้ามาทางความคิดเมื่อไหร่นี่อือ ม, มาทําไมวะเนี่ยเขาเรียกว่าพยาบาทวิตกจะเกิดขึ้นทันทีเลยนะอีกคนหนึ่งโผล่หน้ามาทางความคิดเมื่อไหรปับ๊บไอกา ม, มาวิตตกเกิดขึ้นอีกคนหนึ่งวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นมานะเจอหน้ากันจะฉาสักเพละวิหิงสาวิตตกจะเกิดขึ้นะบางที นึกไม่ดีกับเขาเพราะฉะนั้นคนที่เราเกี่ยวข้องนั้นมีความสำคัญมากนะสถานที่ก็สำคัญคนที่เราเกี่ยวข้องก็สำคัญและอ่นะสามก็คือการฟังก็สำคัญว่าเราฟังอะไรมากในขณะนั้ น, น, นถ้าเราลองฟังคนทะเลาะ ก, กันดูสิกุศลจิตเกิดง่ายไหมดี่เราเนี่ยแทบตกใจไปด้วยเลยนะแต่คนก็กำลังซัดเอาชักปืนออกมายิงกันเปรี้ยงเปรี้ย ง, งเนี่ยโอ้โหย ยังเป็นกุศลจิตยอยู่เลยเนี่ยแสดงมันแน่มากส่วนใหญ่เนี่ยวูบเลยนะสมมติเห็นรถชนกันปุ๊บนะเรายังสุขภาพจิตเราเหมือนเดิมเลยกุศลจิตยังเจริญสืบเนื่องเป็นได้ไหมถ้าฝึกจริงๆก็เป็นได้แต่ก็ค่อนข้างยากนะเรื่องที่เราฟังเนี่ยมีความสําคัญมากที่เรียกว่าการฟังแล้วสุดท้ายโยนิโสมนัสิการหรืออัตตะสัมมาพณิทิปเราตั้งอะไรไว้ในใจของเรามาก สมมติถ้าหากว่าคนที่ที่ตั้งใจจะรักษาศีลเลยนะข้อไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยแต่ถ้าหากว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะมันแทบไม่คิดเลยตบทันทีเลยมาเธอจะตบให้บางคนเนี่ยเกณฑอย่างนั้นเลยนะมันมันคุ้นเลยแต่พอสมาทานปั๊บนะพอคิดจะตบปั๊บเนี่ยอุปนิสัยที่สมาทานนี่มาแล้วสารับศีลมาน ะ, ะเขามีมีอุบาสกอยู่คนหนึ่งเขาสมาทานศีลกับพระเสร็จแล้วก็ ไปไถานาทีนี้ไถานาแล้วก็ปล่อยวัวขึ้นเขาทีนี้ในขณะที่วัวขึ้นเขาไปเนี่ยอ่ามีงูอยู่ตัวหนึ่งมารัดตัวมาขณะที่กําลังรัดเนี่ยเขามีมีดอันหนึง่งฆ่าดีไหมคิดเลยนะฆ่าไดเลยแต่แล้วนึกเอ้เพิ่งสมาทานมาเพิ่งสมาทานศีลมาจากพระที่เขาเคารพมากเพราะฉนนั้เออตายก็าตายไปกับศีลเถอะวันนี้อะก็พอคิดอย่างนั้นนะด้วยเดชแห่งกุศลบางอย่างเนี่ยงูเนี่ย แล้วก็คลายแล้วก็ปล่อยไป น, นะด้วยเดชแห่งกุศลอันนั้นเนี่ยนะตั้งใจแล้วก็โยนมีดทิ้งไปเลยนะให้มันตายดูสิตายกับศีลดูะะอะไรนะเขาก็สามารถที่จะไม่ฆ่าได้แล้วถ้าปรารบถึงศีลปั๊บเนี่ยอ่ไม่ว่าจะเป็นกุศลศีนกุศลภาวนาชั้นสูงๆก็าตามแค่ปรารบปุ๊บเนี่ยนะเหตุการณ์ร้ายๆนึกถึงคำเหล่านี้ยังสบายใจเลยเป็นอนุภาพของอโลพาอาโะอโทสะอโมหะอันถ้าหาว่าใครที่กาลังมีโทสะอยู่นะ แค่นึกถึงกุศลจิตบางอย่างเท่านั้นแหละมีความสบายใจขึ้นมาอย่างทันทีเลยอันถ้าหากว่าผู้ที่มีความสามารถขอบเขตที่ตั้งใจจิตไว้ได้ขนาดไหนคนนั้นก็สามารถที่จะรู้ทําได้ขนาดนั้นมันอยู่ที่การตั้งใจนะเราจะชีวิตของเราเนี่ยความคิดของเราอยู่ขณะนี้เนี่ยที่นั่งคิดคิดกันอยู่เนี่ยแล้วเราแต่แล้วแต่เราจะน้อมความคิดอันนี้ไปทําอะไรอันนั้นจะเอาความคิดของเราไปทําอะไรก็ได้ น้อมความคิดอันนี้ทำจิตแต่รุปเป็นกายกรรมขีดเขียนก็ได้น้อมไปเป็นวจีกรรมชวนคนชวนพูดพูดคุยกันก็ได้น้อมไปทางมนโนกรรมนั่งฟังเพศไปด้วยคิดถึงเพลงไปด้วยกระดิกเท้าไปด้วยยังได้เลยใช่้หมมนแล้วแต่เราน้อมไปอันนี้ถ้าหากว่าคนที่ฉลาดน้อมก็จะมีอัตตะสัมมาปณิทิก็คือฝึกเจริญสัมปชัญญะสี่นั่นเอง ฝึกเจริญสัมปชัญญะสีแล้วแต่คิดเรื่องนี้มีประโยชน์ไหมอ่นไหมถ้าหากว่าผู้ที่ที่มั่นคงในเรื่องของสัมปชัญญะเป็นต้นคิดเรื่องนี้มีประโยชน์ไหมหรือถ้าหากว่ามั่นคงในคําสอนเนี่ยไอคิดอย่างนี้เท่ากับคําสอนสูตรไหนบ้างอ่นไหมอ่าถ้าหากว่าเราคิดแบบนี้ชื่อว่าปฏิบัติา ต, าาาตามพุทธโอวาทข้อไหนใช่ไหมสมมติถ้าคิดถึงพ่อเออคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงเนี่ยชื่อว่าประพฤติตามพุทธโอวาทข้อไหน คิดได้ไหมพระองค์กล่าวว่ามาตาปิตุอุปัทานังนะเอตัมมังคมามุตตังการบํารุงพ่อแม่เนี่ยนะการอุปถากบํารุงพ่อแม่เนี่ยก็เป็นอุดมมงคลดังนั้นถ้าเรานึกปุ๊บเนี่ยนะนึกหน้าพ่อหน้าแม่ปั๊บเราจะช่วยเหลืออะไรท่านได้บ้างอันนั้นก็เป็นกุศ ล, ลจิตไปแต่ถ้าหากว่าอีกคนหนึ่งไม่มีอัตตาสัมมาปณิทินะอขอตังค์พ่อใช้ดีกว่าเฮก็จะคิดอีกอย่างหนึ่งมันก็แล้วแต่ แล้วแต่จะน้อมจิตไปพะแต่ถ้าหากว่าครูผู้ที่มีอัธยาศัยมีศรัทธาในคําสอนปั๊บเนี่ยคิดถึงอะไรก็ตามจะดึงธรรมะพิจารณาเรื่องนั้นนั้นต่อไปด้วยจะเอาคําสอนเนี่ยพิจารณาในอารมณ์นั้นนั้นไปด้วยพะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้กีดกันว่าเธอต้องเห็นอย่างนี้ไม่ได้กล่าวอย่างนี้นเธอต้องอมีรูปารมณ์แบบนี้เธอต้องมีสัทธารมณ์แบบนี้เธอต้องมีคันธารมณ์แบบนี้ไม่ องบอกว่าคันธารมรัการมเป็นต้นเหล่าใดที่กุศลจิตเกิดขึ้นได้ให้สแสวงหาอารมณ์เหล่านั้นเกนั่นแหละนกะ็ ค, คือรักษาสุขภาพจิตเป็นเป็นหลักเพราะว่ามัชิมาปฏิปทาก็คือจิตและเจตสิกนั่นแหละแต่เป็นไปกับกุศลนะคืออารมณ์นั้นอารมณ์ส่วนใหญ่นะถ้าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโรภชภะเนี่ยอารมณ์เหล่านี้เป็น อพยากตะแล้วแต่จะน้อมให้เป็นอะไรน้อมไปดีก็ดีน้อมไปไม่ดีก็ไม่ดีแล้วแต่จะน้อมเอาอถ้าผู้ที่มีอัตตาสัมมาปณิที่ดีก็จะน้อมไปหาหาความดีเกิดขึ้นพัฒนาขึ้นนะถ้าศึกษาเรื่องกรรมแล้วก็จะน้อมที่จะฉลาดคิดนะคนอื่นเขาคิดยังไงกับเราไม่สาคัญเท่าว่าเราคิดอะไรกับคนอื่นคนอื่นเขาพูดอะไรกับเราไม่สาคัญเท่ากับว่าเราพูดอะไรกับคนอื่น คนอื่นเขาทำยังไงกับเราไม่สําคัญต่อเราทําอย่างไรกับคนอื่น น, นะเพราะว่าคนอื่นเขาทําอย่างไรก็ตามเขาพูดอย่างไรก็ตามเขาคิดอย่างไรก็ตามเขาไปตามกรรมของเขาแน่ถ้าเขาทําด้วยกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่สุดจริตเข้าไปดี น, นะสุขคติเขาหวังได้ทีนี้ของเราอ่ะเราคิดอะไรเราพูดอะไรเราทําอะไรนั่นแหละคือคือทางเดินของเราซึ่งทางเดินอันนี้เนี่ย ใครเป็นคนเลือกให้ก็เรานั่นแหละเป็นคนเลือกถ้าหากว่ามีอัตตาสมมาปณิทิฏดีเราก็เลือกไปดีเลือกอัตตาสมมาปณิธิก็คือโยนิสโสมนัสิการนั่นเองเลือกที่จะเจริญเลือกที่จะพูดจะทําจะคิดก็ได้ดงนั้นในเรื่องเรื่องของกรรมบทนั้นแหะก็คือบุคคลผู้ตั้งนั่นเอง